ปฏิบัติเลยที่มนี้มอี่มีเด็กหยดไม่เคยไปเข้าคอดเลน้อี่เลยแชาสุรินน่ะปฏิบัติเป็นเก่งนะกดสุรินนะคลานายคล้ากลัวอะไรบางทีเริ่มแล้ อย่าเริ่มเลยนะเนาสนใจปฏิบัติหรือเปล่าหรือ <c oughs> <c oughs> มาฟังเล่นแร่นกันหรื <c oughs> อวันนี้เล่ า, าพื้นฐานเลยนะว่าศาสนาพูดจริงๆนะเราต้องการสอนอยู่เรื่องเดียวว่าทำยังไงเราจะไม่ทุกข์หรือมีความทุกข์น้อยๆนี่ เรื่อความทุกเนี่ยมันทุกกายทุกใจใครๆก็รู้จักก่อนพระพุทธเจ้าก็รู้จักแต่ตัวทุกอริยสัจเนี่ยเราไม่เข้าใจเราไม่รู้จักเราเรู้จักเป็นทุกธรรมดาธรรมดาเจ็บไข้อย่าเนี้ยทุกส่วนคําว่าทุกแท้ๆของศาสนาพุทธเนี่ยมีความทุกที่ไม่มีตัวผู้ทุกนี่เข้าใจยากเราค่อยๆค่อยๆเรียน ความทุกข์มีหลายแบบทุกขเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายทุกข์อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าทุกขรักเกลินหรือสิ่งทั้งหลายที่เรามองเห็นอยู่เนี้ยเกิดมาแล้วมันอยู่ได้มุ่นานเดี๋ยวมันก็แตกสลายไปทุกข์อีกชนิดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของศาสนาพุทธเลยเรคือทุกขอริยสัจตอนทุกข์ที่เกิดจากใจเราดิ้นรน ถ้าไปยึดเสือเนื้อในนี้เราก็ทุกความทุกมีหลายตัวมีตัวทุกจริงๆที่ศาสนาพุทธต้องการจัดการก็คือความทุกทางใจที่เกิดจากความอยากอยากโน้อนอยาก น, นี้เวลาอยากขึ้นมาแต่ละครั้งก็จะทุกทุกข์ขี้คุณพระพุทธเจ้าก็เราสอนบอกว่าเราเป้าหมายของศาสนาพุทธหรือจุดมุ่งหมายของศาสนาพุทธเนี่ยต้องการให้เราฝึากฝนันกระทั่ง เราอยู่กับโลกโดยที่ไม่มีความทุกข์หรือมีทุกข์น้อยนอยนี่เป็นเป้าหมายหรือวัุประสงค์ที่ท่านก็สอนต่อไปอีกว่าความทุกข์มันเจ็บใจเราเนี่ยมันรินรนมันอยากอยากมีเมียสักสองสามคนแล้วทุกข์ไหมสิ <c ười> มีคนหนึ่งอยากมีคนหนึ่งทุกข์น้อยหน่อยอย่างมีสองคนที่ทุกข์เยอะเลนยนทง่อยาก มีความอยากมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทุกมากขึ้นเท่านั้นหรือถพุทธเจ้าสอนต่อไปว่าความอยากก็มีเหตุให้เกิดตรงนี้ที่จะแตกออกไปจากศาสนาอื่นเหมือนกนันอย่างพวกนิกครนพวกอะไรนี้เขาก็รู้จักเหมือนกันว่าตัณหาทําให้เกิดความทุกข์ความอยากทําให้เกิดความทุกข์เพราะนั้นเขาไปผดข้าวท ร, รมานร่างกายอย่างวี้อย่างนี้ก็จะข่มความอยาก การไปแก้ความอยากเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้ามองลึกซึ้งไปอีกเพราะความอยากเนี่ยเกิดจากความไร้เดียงสาของเราเราพยายามไปยึดในสิ่งที่ยึดไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงธรรมชาติที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าพาให้เราดูก็คืออย่างร่างกายเราจิตใจเราเนี่ยท่านบอกว่ามันประกอบด้วยรูปธรรมกับ น, มนามธรรมเรียกย่อๆรูปกั็นนามอย่างนี้ รูปกระ nam น, นี้รูปธรรมกนะ nam มาทำนี้ไม่คงที่เป็นไตรลักษณ์นี่ก็เป็นธรรมชาติกฎของธรรมชาติอีกชนิดหนะึ่งกฎของธรรมชาติอีกข้อหนึ่งก็คือว่าถึงมันจะเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราไม่ยึดเราก็ไม่ทุกข์หรอกนี่กฎขอธรรมชาติมีหลายข้อเลย ถ้าเราไม่รู้จักกฎของธรรมชาติพวกนี้นะเราก็จะอยากเราก็จะยึดเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราก็จะทุกไปเรื่อยๆเพราะความอยากของเราเองตอนนี้ท่านก็เลยสอนบอกว่าทํายังไงเราจะเข้าใจธรรมชาติจริงๆทั้งหลายแหลน่นะี้เราต้องทาความเข้าใจธรรมชาติอันนี้เครื่องมือที่จะใช้ทําความเข้าใจธรรมชาตินะก็คือการจเจริญสติเท่านั้นเอง บางคนอาจจะมองว่ามรคีวุฒิแปดมีแปดข้อนะย่อลงมาเป็นสีสมาธิปัญญานะมีสีลสมาธิปัญญาถ้าย่อให้เหลือหนึ่งได้ไหมไดนะ้ย่อเหลือหนึ่งเลยนั่นะคือการจเจริญสติอะไรท่านถึงสอนบอกว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดี่ยวเวลาลงมือปฏิบัติจริงนๆะถ้าจเจริญสติได้ก็จะได้สีสมาธิปัญญาแล้วก็ได้มรคีวุฒิแปด แล้วแต่ใจแยกมีพวกเราทําทานถือศีล น, นั่งสมาธิจเจริญปัญญาเราพยายามทำกันอุตรุษเลยแต่ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยไม่ค่อยได้เครือบปูนกับการจเจริญสติงั้นมันไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมาธิไม่ใช่การจเจริญปัญญาที่เป็นศาสนาพุทธอย่างเราทําทานเนี่ยเราจะเจือด้วยความความอยากได้ ทำทานอย่อย น, น้เอาเขอไว้ให้เขาอยากให้เขาชอบเราหรือหาดอกไม้ไปให้สาวนกติ <c oughs> ไม่ใช่การทำทานที่บริสุทธิ์เนียมีความเครื่องแฝหรือทำบุญก็อยากปลุกหวอยอะไรเงี้ย็มีอยากไปเกิดดีๆกระทั่งอยากรู้ธรรมมาถือเสีล ก็ไม่ได้ถือศีลเพื่อความการเจริญสติถือศีลเพราะว่าคิดว่ามันดีถือแล้วมันดีแล้วจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งเพื่อส่งเสริมการเจริญสตินั่งเอาความสงบสุขถ้าสงบได้สุขได้เคลิ่มเคลิ้มได้นะดีใจมันไหนไม่เคลิ้มไม่ดีใจเสียใจนะนั่นไม่มันไม่ใช่เรื่อง การปฏิบ like like ัต like ิแบบพุทธรอกถ้าเป็นการปฏิบัติอย่างพุทธเนี่ยทำทานจะวัดใจตัวเองมีสปิดวัดใจตัวเองก่อนจะทําเนี่ยความรู้สึกเป็นองเนี่ยอยากทําจริงๆหรือว่าทําแอบแสงจะไปบริจาคสมมุติจะสร้างเจดีย์ลงปุ่อยากอยากดังไหมสมมติหรือว่าเริ่มใส่กฐาจริงๆจะเริ่มบัดตัวเอง การถือศีนก็เหมือนกันการถือศีนก็คือการฝึกเจลศิษฐ์เหมือนกันเราจะคอยสังเกตติดแ จ, จของเ่าไว้ถ้าความอย่าความโกรธเกิดขึ้นในใจแล้วเราเราู้ทันเนี่ยความโกรธครอบําใจไม่ได้ศีลข้อหนึ่งจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเนี่ยความโลภเกิดขึ้นครอบํ า, าใจไม่ได้ศีนข้อสองมันไม่ขโมยใครเกิดเองเกิดอัตโนมัติ ในสมัยพุทธกาลเคยมีพระองค์หนึ่งในลาศึ ก, กถือศีลไม่ไหวศีลเยอะเกินไปทรานพุทธเจ้าบอกให้ให้เจริญสติข้อเดียวได้ไหมท่านะนรับถ้าให้เจริญสติอย่างเดียวเอาปรากฏว่าศีลอัตโนมัติขึ้นพอมีสติไม่ได้เกิดศีลติก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเพราะงั้นจริงๆแล้วการปฏิบัติทางศาสนาพุทธเนี่ยจะพูดพูด่ศีลสมาธิปัญญาอะไร ทั้งหลายแหละนี่เกือ้อกูลกันที่เราจะมีสติเท่านั้นนี่ถ้าถามว่าเราจะมีสติไปทําอะไรมีสติไปเข้าสังเกตการว่าธรรมชาติจริงๆเป็นยังไงธรรมชาติจริงๆที่เราคิดว่ามีตัวตนมีสัตว์บุคคลตัวตนมีเรามีเขาธรรมชาติที่เราคิดว่าจะต้องเป็นของเราตลอดกาลหรือเที่ยง เป็นสุขเป็นอัตตาบังคับได้แต่ะได้ธรรมชาติที่ไม่รู้ว่าเข้าไปยึดเอาแล้วจะทุกข์ไม่รู้ว่าถ้าอยากเราทุกข์เราจะเฝ้าสังเกตคือกระทั่งเห็นความจริงว่าอยากเราทุกข์จริงๆเหมือเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมนะเพื่อจะเข้าใจธรรมชาติเนี่ยจึงต้องใช้การเจริญสติ น, นั่นเองนั่งสมาธิจะเห็นธรรมชาติอย่างนี้มันไม่เห็นหรอกใช่ไ้ย ถือศีลจะเห็นธรรมชาตินี้มันก็ไม่เห็นอีกทำทานจะเห็นธรรมชาติอย่างนี้มันก็ไม่เห็นือเพราะงั้นสิ่งเหล่านั้นนะทําไปเพื่อการปรับพื้นฐานทาง จ, จิตใจเพื่อส่งเสริมการเจริญสติเท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารามีเยอะยะเป็นพระเวสสันดร น, นะสละลูกสละเมียสละบ้านเมืองไม่เห็นบรรลุพระอาห์เลย บางชาติถือศีลยอยามสลาดชีวิตรักษาศีนก็ไม่บรรลุทำสมาธิจนเหาะได้ก็ไม่บรรลุแต่ว่ามาบรรลุเพราะการเจริญอนาปนานสติหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็จะรู้ในที่สุดก็จะเห็นธรรมชาติจริงๆเพราะสิ่งที่เราคิดว่าคือตัวเราจริงๆไม่มีหรอกเป็นความคิดล้วนๆอย่างที่หมออนันต์ได้เห็น เพราะมันเป็นความคิดแต่มันก็อดคิดไม่ได้เนาะ mm hmm. เพราะงั้นเราถึงต้องเจริญสติคือเฝ้าะระลึกรู้นะสัทธาธรรมทั้งหลายทั้งลูกประธรรมทั้งนามธรรมที่กำลังปรากฏ ต, ตามที่มันเป็น mm hmm. บางแล้วก็จะยากหรือ mm hmm. บางคนจะสงสัยว่าเอเจริญสติแล้วมันจะได้อะไร จริงจิเจริญสติแล้วจะได้รู้ว่าธรรมชาติจริงๆเป็นยังไงถ้ารู้ตามความเป็นจริงนั้นมันจะเบื่อหน่ายคลกําำหนัดแล้วหุดพ้นของมันเองเพน้นอกจากเจริญสติแล้วทาอย่างอื่นนั้นไม่ได้หรอกนี้เราจะเจริญสติเนี่ยเราต้องหาดมีสติให้ได้ก่อนเหลอเป็นไหมหมอใจลอยเป็นไหมนะ เราพูดถึงสติสตินะเข้าใจยากโตที่ขาดสตินะอย่างนั่งใจลอยอไปเนี้ยไม่ทันใจลอยเมื่อไหร่รู้ทันใจลอยเมื่อไหร่รู้ทันไปด้วยอยไหมใจลอยหรื อ, อยางโยงไมไหมรู้จักใช่ไหมใจลอยผมบอกว่าสติเป็นไงไม่เขา้าใจอ่ะแต่ถ้าบอกใจลอยไปละหลงไปละเพราะงั้นเราอย่าเราอย่าให้ใจลอยยาวใจลอยแล้วรีบรู้ตัวไวรู้ตัวไวๆนั่นแนหะคือเริ่มฝึกให้มันมีสติขึ้นมา พอเรามีสติมากขึ้นมากขึ้นเราจะอ่านพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางใจของเราออกจะเฝ้ารู้ไปได้เฝ้าสังเกตไปได้อย่างเนี้มีคนมาใช่ไหมใจเราหนีออกจากประตูไปไปอยู่ที่เขาดูออกไหมเห็นไหมเราไปสนใจเขาเราว ล, ลืมตัวเราเนี่ยคือเรียกว่าเผลอไปหรือเรียกว่าขาดสตินั่นเองเนะนี่ย ถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะรู้เท่าทันพฤติกรรมของร่างกายของจิตใจอย่างเราพยักหน้าเนี่ยแ้วเราเราเข้าใจเรารู้สึกเข้าใจเราพยักหน้าเราไม่ได้พยักเล่นๆเรามีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือใจเราหนีไปคนมาใหม่เราสนใจดูเขา้าซุบเราหายไปจากโลกแล้วขณะนี้ร่างกายเรานั่งยังไงเราไม่รู้หอเรามีสุดมีทุกข์เราก็ไม่รู้ จิตเราเป็นบุญหรือเป็นบาปเราก็ไม่รู้หรือไเราจะไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับตัวเองถ้าเราเผลอไปงั้การปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกฝึกให้คอยรู้เท่าทันร่างกายจิตใจของเรารู้ทันไปเรือ่อยเป็นไหมดูออกไหมใจเราหนีไปที่เขาเนี่ยหัดอย่างเนี้ยนะหัดรู้ทันมันไอ้ตัวเนี้ยเป็นหัวขโมยตัวใหญ่นะหนีไปหนีไปยึดนนลหนีไปอยา ก, กันนี้เรลย ถ้าเราคอยรู้ทันรู้ทันนะถึงวันหนึ่งเนี้ยเราจะเข้าใจเลยความทุกข์เกิดจากอะไรความทุกข์เกิดใจากไอตัวเนี้ยอยู่ดีไม่ว่าดีหนีไปหนีไปเกาะตรงโน้นปีหนึ่งทุกข์ขึ้นปีหนึ่งหนีไปเกาะทางนี้ทุกข์ขึ้นปีหนึ่งงั้นเราไปสังเกตใจเราเห็นไหมใจเราหันไปหารูปเราซักหนีไปพอจะดูอรอไหมมันหนีไปหนีไปเร หนีไปทางตาหนีไปทางหูหนีไปทางความคิดมีแต่เรื่องหนีไปใจลอยแล้วใช่ไหม <c oughs> นี่เราหัดอย่างนี้นะหัดรู้สึกตัวจเจริญสติไม่มีอะไรมากขอหัดคอรู้สึกตัวไว้ไม่ไปคิดรู้ไหม มันแอบไปอยู่กับความคิดรูด้เวทนู้ทันเหมือนนะค่อยๆสังเกตถ้าสังเกตสักช่วงนะเราก็จะเข้าใจแล้วอ๋อเขาทำงานอย่างนี้เองความทุกข์เกิดขึ้นมาได้เพราะวิธีนี้เองหลวงปู ด, ดูถึสอนบอกจิตส่งออกนอกเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์สังเกตไหมมันส่งไปจิตมันส่งไปส่งไปทางตาส่งไปทางหูส่งไปทางใจทางความคิดหนีไปหนีไปแวบ๊บไปทางตาจิตมันหนีไป ท่านถึงสอนบอกว่ากิจสออกนอกเป็นเหตุเป็นเหตุของทุกข์หน้าที่ของเราอย่าเชื่อหน้าที่เราไปเฝ้าดูว่าหนีไปแล้วทุกข์จริงไม่จริงศาสนาพุทธเราจะไม่สอนบอกว่าต้องเชื่อจงเชื่อที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้บอกอย่างนั้นศาสนาพุทธจะบอกว่ามาลองดูไม่ล่ะเอหิปัสสิโกบอกว่ า, วา กึ่งฝากับผู้อื่นว่ามาลองดูไหมล่ะเออลองดูอะไรน้องก็ามาหาตัวเองเอทิปาซิโ ก, โกแล้วก็โอเวอร์น่ายิโกน้องเข้ามานไม่ใช่ส่งออกไปไม่อย่งจะส่งหนีไปเรื่อยเรืหนีไปอีกแล้วรู้ไหมฮึหนีพอจะดูออกเลยว่าใจลอยหนีไปเป็นยังไงเนะ ถ้าดูออกนะคือปฏิบัติได้แล้วถ้าดูตัวเองไม่ออกนะใจก็หนีไปเรื่อยๆด้วยตัวเองไม่ได้หรอกถ้าตอนหนีไปเนี่ยจะรู้ทันสภาพธรรมะไม่ได้เลยร่างกายเป็นยังไงก็ไม่รู้เนะมตนาสุขทุกข์เป็นยังไงไม่รู้จิตเป็นกุศลเลือดกุศลก็ไม่รู้แต่ไม่รู้เกี่ยวกับตัวเองเพราะงั้นเราจะต้องใหญ่ใจลอยนานเป็นลอยนิดหน่อยได้แต่อย่ายใจลอยยาว ได้ติแต่ลอยแต่ละเนาะ <c oughs> สังเกตไหมว่าเราจะชอบเหมือเราจะเหมือเหม่อทีหนึ่งยาวๆนะต่อไปนี่เราเหม่อสั้นๆเหมือแล้วรู้เหมือเรารู้ไปเรื่อยนะ <c oughs> ถ้าเราทําอย่างนี้ได้ไม่นานเราจะเข้าใจธรรมะด้วยตัวเราเองเราไม่ต้องเรียนหลบทธรรมะ ถ้าเรามีเครื่องมือแล้วคือเราจเจริญสติเป็นเราสามารถรู้ธรรมะซึ่งกำลังเป็นอยู่ตอนเนี้ยจิตเป็นกุศลก็รู้เป็นากุศลก็รู้จิตมีสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้อะไรเกิดขึ้นไป ร, รู้รไปเรื่อยๆอาจารย์ <c oughs> จริก็มีแค่นี้แหละนะนะถ้ารู้จักว่าใจลอยเป็นยังไงนะก็ปฏิบัติเป็นแนละ้วง่ายนิดเดียวเลย้าใจลอยไปแล้วก็คือปฏิบัติไม่ได้ลนะอย่ตอนนี้ใจเราสงสัยสงสัยเรารู้ว่ากำลังสงสัยอะไรเกิดขึ้นรู้ทันองไปเลยนะมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมีทุกข์รู้ว่าทุก สงสัยรู้ว่าสงสัยชอบรู้ว่าชอบเกลียดรู้ว่าเกลียดเพราะการปฏิบัติเนี่ยนะไม่ใช่นั่งหลับหลับตาลืมตาขึ้นมาดูโลกนี้แหละเห็นหน้าลูกไม่เจอนานดีใจรู้ว่าดีใจนี่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นหน้าศัตรูคู่แข่งเกลียดนั้นรู้ว่าเกลียดนี่ปฏิบททัติทำเรียบร้อยแล้วรู้ว่ารู้ว่าเรากําลังเป็นยังไง รู้ทันตัวเองว่ามันกำลังเป็นยังไงมันนี้พูดยากเพราะว่าระดับมันต่างกันเยอะแกอาจารย์กลับแล้วเหรอพูดแต่กลับแล้วใครจะทำยงสอนนักเรียน ได้ไดนีหยิ่งจวนจวนแหละค่ะเมื่อกี้ได้สอนอีกกี่คนขึเมื่อกี้ได้สอนที่สองนอยอีกเจดสคนอีกหกสิบคนดีแล้วเออไม่นั่งข้างบนน่าอย่างนั้นเดี๋ยวัวเขาแย่ ไม่เป็นไรหรอกนะมันได้อเอาสินะอเออพิ่จับแม่นั่ง น, นั่งเหตุไฟลูกเป็นห่วงนะเออใครสงสัยอะไรเชิญถามห <c oughs> มอเฮ้ยให้อ่ะนหนังสื รแบบใหม่ๆฟังอัตมานะจะงงงงมากๆเบางคนสาระข้ายบอกเหมือนหัวจะแตกเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฟังมันไม่ใช่ว่าลึกลับซั้อนแห่ะเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องเจริญสติเราได้ยินเข้าวัดเราก็ได้ยินแตเรื่องอา้าวทำทานถือศีลนั่นสมาธิองเรได้ยินอย่างนั้น ทาทานหรือศีล น, น้าสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ไม่ศาสนาขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศาสนาพุทธจริงๆเนี่ยนะคือการเจริญสติหรือการเฝ้าสังเกตการอ b s e r v e หมอทําตัวเป็นผู้สังเกตการใช่ไเนะ่ยเป็นผู้แสดงเองเป็นคนทีคอยสังเกตการนะ ร่างกายจิตใจเรามีพฤติกรรมยังไงเราคอยสังเกตคอยดูไปเรื่อยสังเกตไปเรื่อยในที่สุดเราจะเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองชัดเจนเราจะรู้ว่าใจเรานี้วิ่งไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองได้ยังไงมันไม่มีใครทำให้เราทุกข์นะเราวิ่งไปหาไงทีเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องเจริญสติเออฟังแล้วนอะไรก็ไม่รู้ที่ตลาด เข้าใจยากถ้าพูดภาษาบาลีก็เข้าใจยากจริงๆสติเป็นยังไงฟังยากถ้าเราพูดสะับข้างว่าความไม่มีสติเป็นยังไงง่ายเี่ยความเผลอความใจลอยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะถ้าเรารู้ตัวเองว่าตอนนี้เผลอไปล้วเหลอไปแล้ ว, ล ไ, ปลวไปรู้ไปเรื่อยๆนะในที่สุดเราจะเกิดความมีสติขึ้นอัตโนมัติเลย หมอสังเกตเอาไหมกานเวลามันใจลอยใจลอ ย, อยนี่มีหลายแบบนะใจลอยอย่างเป็นตัว เ, เห็นคนเดินมาเราดูเขาแล้วลืมตัวเราเองนะได้ยินเสียงอะไรเสียงอะไรตั้งใจไปฟังลืมตัวเองนี่ก็ใจลอยได้กลิ่นไผ่ทากับข้าวหอมหอมหอมหอมลืมตัวเองแบบนีดใจลอยหรือนั่งอยู่เฉยๆนั่งเมื่อยก็นั่งใจลอยอีก ใทรใก็เหมือนเป็นใช่ไหมใจลอยเหม่อไปมีใจลอยอีกช น, นิดหนึ่งที่เข้าจะยากสุดจี๋เลยคือกําลังนั่งคิดอยู่นะรู้ด้วยว่ากําลังคิดอะไรเนยคิดเรื่องอะไรรู้หมดเลยแต่ในขณะนั้นเนี่ยไม่รู้ร่างกายไม่รู้จิตใจเองเดี๋ยวเป็นเกียรตมมันเหลือแต่ความคิดเนี้ยท่านนะเวลามันคิดอะไรไปนเปนี่ยเังเกียติไหมความคิดเนี้ยชัดเจนเลยแต่เรานั่งท่าไหนเราไม่รู้ละ เรามีสุขหรือเรามีทุกข์เราไม่รู้แล้วจิตเราเป็นกุศลหรืออกุศลเราไม่รู้แล้วคือเราจเจริญสติปัฏฐานไม่ได้เพรา ะ, ะน้นบางทีหลงคิดอยู่นะลราคิดว่ากํำลังรู้ตัวอยู่ตัวนี้เขาจะยากที่สุดเลยอย่างนี้อาจารย์คิดใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์นั่งข่าวไหนลืมไปแนละ้วในขณนะจิตนั้น กาแบนี work, ้เรียกว่าปฏิบัติจริงจเพราะว่าอยางสมมุติว่าเราฟัาธรรมคุณบาลน้ำจิตลำจะจบจบการทำแต่เราจะดูจิตด้วยว่าเมื่อทํานั่นมาประสบปีติธรรจิตําเป็นยังไงใจเราก็จะไม่ส่วนเได้อืมอย่างนั้นได้แต่ว่าเวลาเวลาฝังเนี่ยก็อย่างหนึ่งนะนี่อธรมากําลังก้าวไปถึงว่าใช้ชีวิตจริงจริงเลยเราจะหักในชีวิตจริงๆของเราเนี่ย รันะรู้ทันตัวเองตั้งแต่ขนาดนี้เหลอไปล้วเพ่งอยู่แล้เนื่รู้ทันไปแล้วจิตนีไปตรงโ้นปั๊บรู้ทันจะรู้ทันจริง ๆ, ๆรับรู้พอเรารู้ทันตัวเองมากเข้ามากเข้านี่ในที่สุดเราจะรู้จักธรรมชาติรู้จักธรรมชาติทั้งหลายว่ามีแค่รูปรธรรมกับ น, นามธรรมารู้จักธรรมชาติทั้งหลายว่ารูปธรรมกั น, นามธรรมนั้นแนหะ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบังคับไม่ได้แล้วก็รู้จักธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งว่าถ้าเราเข้าไปยาเข้าไปยึดขึ้นเมื่อไหร่นะเราจะปุนะ๊กเมื่อนั้นนี่เราจะรู้จักธรรมชาติเหล่านี้ถ้าเรารู้จักธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยความอยากจะค่อยๆสลายตัวไปเองนี่คือวิธีทําลายปัญหาแบบศาสนาพุทธ ทำลายความอยากแบบศาสนาถ้าศาสนาอื่นเขาก็มีวิธีทำลายเหมือนกันนะเช่นมันไปหลงรักผู้หญิงอดข้าวาไปไหมเป็นนอนมวนตปนะปูยืดขาเดียวนะอะไรนี่ทรมานร่างกายไปมันจะได้ไม่มีแรงไปอยากรักผู้หญิง <c oughs> อย่างกุ้งมิตร น, นี่เขาสอนเรื่องตัณหาเหมือนกันว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ แต่พอถึงมรกเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าตัญหาเกิดจากอะไรคุณพระเทเจ้ามองลึกซึ้งองไปอีกชั้นหนึ่งว่าตัญหาเกิดจากความที่เราไม่เข้าใจธรรมชาตินั่หรืออาวิชาเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าธรรมชาติจริงๆจะเป็นยังไงเราก็เลยเข้าไปหลงอยากเข้าไปหลงยึดนี่เราจะเข้าใจธรรมชาติจริงๆได้ยังไงเราก็เฝ้าสังเกตเราสิการสังเกตนั่นแหะเรียกว่าการเจริญสติไม่ใช่นั่งคิด ไม่ใช่นั่งเพ่งไม่ใช่นั่งบังคับไม่ใช่นั่งแก้ไขบางคนปฏิบัติทำจิตฟุง้งซ่านนั่งแก้ฟุ้งซ่านหนาะฟุ้งซ่านหนอรหนอรือพุโทโธพุทโธเอาให้หายฟุ้งซ่านให้ได้ใ น, นมุ่งแก้วนแต่ถ้าเราจัดเจริญสติจริงๆจะเป็นอีกอย่างหนึ่งฟุ้งซ่าน ร, รู้ว่าฟุงา้งซ่านจะเห็นว่าฟุ้งซ่านเป็นธรรมชาติช น, นิดหนึ่งที่กําลังถูกรู้อยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่ถูกรู้ จิตนี้ก็มีธรรมชาติบางครั้งหลงไปตามความฟมาู้งซ่านพอรู้เท่าทันก็ไม่หลงไปถ้าหลงไปเมื่อไหร่เข้าไปวุ่นวายอยู่กับธรรมชาติคือความฟมาู้งซ่านเมื่อไหร่ก็ทุกเม่านั้นเพื่อจะค่อยๆสังเกตเห็นธรรมชาติในที่สุดจะเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมะนั่นแหละเข้าใจธรรมะเนี่ยจิตก็จะดิ้นรนน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่สาระนี้ตั้งใจฟั่งรูไ้ไม เราตั้งใจเรารู้ว่าตั้งใจนี่เราหัดอย่างเงี้ยนะปฏิบัติจริงๆเราหัดกันอย่างนี้เลยตั้งใจฟังรู้ว่าตั้งใจฟังแต่ฟังทีแรกก็ต้องตั้งใจก่อนนะไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่องเสียงสั่นแตะทบหูก็ม <c oughs> ๆๆไม่รู้เรื่องเลยหมอคิดรู้ไหมไหมขนาด น, นั้นเนี่ยมือเคลื่อนไหวอ ย, อย่างเงี้ยไม่รู้ นะไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ล่นะมือเคลื่อนไหวไม่รู้นี่คือไม่รู้กายใช่ไหมนั่งอยู่เนี่ยมันเมื่อยก็ลืมมันไปแล้วนะเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่รู้มันนะจิตใจกําลังตั้งใจฟันตั้งใจคิดไม่รู้ว่ากําลังตั้งใจรู้ไม่ทันจิตใจของเราอีกไม่อนกายเวทนาจิตธรรมอะไรเนี่ยเราจะไม่เห็นมันในขณะที่เราเหลือ ในหน้าที่เราก็คือรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไวไห้หลพ่อพุธนั้นสอนดีสิอาจารย์ช่อมสิให้มีสติไว้นะยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดขับถ่ายรู้สึกตัว ไ, ไปเสียใจลอยยืนเดินนั่งนอนนีนะนนะ่เรื่องทางกายใช่ไหมกินดื่มทําำนะเรื่องทางกาย พูดในเรื่องทางวาจาคิดเรื่องทางใจเหนเ็นไหมใจหนีไปคิดเราไม่รู้ว่าคิดอยู่งั้นอย่างที่ท่านสอนแค่เนี้คอยรู้ทันตัวเองนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําทุกคิดทุงหมดลนะพฤติกรรมทางกายวาจาใจสอนง่ายๆสอนง่ายจงไม่น่าทำเหมือนไม่โก้ <c oughs> ถ้าสอนบอกนี่นั่งอย่างนี้เห็นนันนี้ ถอดจิตออกมาเถอดใบริ้วๆเลยจะเจอปีศาจว่างกองจักตัดมันเลยโอสนุกมากเลยนะสนุกคุณคนไปเล่นอยู่อย่างนั้นเลยนะฝึกวิชาต่างๆคือจะมีบางครั้งนักสมาธินะครับเล้วจิตขยานตอนที่เหมือนใจอยู่ในภาสือ จริงอยู่นะว่าทิกอย่างกาที่จะเข้าปิติอะไรนั้นถะไปเข้าปิติหือเข้าในฝันมก็จะไม่เข้าไม่เข้าแล้วเป็นคิดไปเองไม่ใช่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติจริงๆเลยนะคือปิติก็เป็นอารมณ์ตัวหนึ่งนะเป็นเจตสิกตัวหนึ่งนะความสงบก็เป็นตัวหนึ่งเป็นความปรุงแต่งนะถ้าเมื่อไรสติเท่าทันนะความปรุงแต่งก็ขาดสะบั้นไปเลย เราไม่รู้ว่าเราชอบในทางที่บอแต่รู้ว่ามันจิตเขายันนเาเป็นชอบเองน่แหละเราค่อยเห็นความจริงน่เราเริ่มรู้พฤติกรรมของจิตแล้วดีแล้วหมอเดี๋ยวดูบ่อยๆน้องกทำกเจอ้วกัขดาวจะข้า เจอกันทีอะไรนะต้องรีบทังทีแต่ได้ือวิมุตต์เป็นแนวนะคะโว่จะได้สติปันฐานคุณจะคุยนระวังนิดหนึ่งกัเลยสติปัฐานนั่นลไม่เลียบเย่สมถาเกือบจะทั้งหมดนะคะเกือบจะไปรับสมถะด้วยซ้อนนี่ยะนั่งแก่มีราคะที่นาสุขะ มีโทสะแหย่เมตตาอย่นี้โอเคจะรู้จริตตัวเองแล้วค่ะว่าอราาิยมิจฉาได้ใจละอืดีแล้วขนาดใจละย<ม>ิ่งขนาดถ้าลงอนัตตาแล้วคืโพวกปัญญาอาจจะจะขนาดตรงนี้พระอาจารย์เน่ยจะเป็นจริตนะมันก็จะออกไปทางรวดเร็วรุนแรงเมื่ก่อนรู้สึกตัวเองไม่มีมารสนะที่มไม่เจริญ น, นาสุภาษิาไม่ได้ไม่ได้ ดูตัวเองตายตายสวยามีาคามากมตอนหลังต่ า, <c oughs> าตงแค่ดวงตาดวงตาพูดอยู่สองอย่า ง, นางขนะดตาอุค่าเอาอุ้งคาขนาใาะใจรัดอาใจรัดไม่รู้ อ, อ้ออะขนาใจรัดจะมองอะไรเป็นอ น, นิจจังทุกข์ขาวแต่อ น, นัตตายวไม่มมมค่อยถ น, นัดแค่อนิจจังทุกข์ขา่กับ อ่าตัดไอศครไอศคีมเโอ้โหดีสุีตัี้ไม่ใกุามาบัวสอนดีดี ไอ้เทศที่ว่าน้ําตาลพ่วงเหือนนั้นนะไอ้ได้ฟังก็เนะี่สอนดีมากท่านบอกว่าท่านเข้าไปสู่ความรู้แจ้งเนี่ยเพราะว่าท่านมีสติเจเลยจะเป็นมหาสติมหาสติหมายถึงอะนันนสติอัตโนมัตินะี่ิเลสเกิดปั๊บเห็นปั๊บเห็นปั๊บเห็นขาดสะบั้นไปเรื่อยๆในที่สุดติดหยุดไม่มีพฤติกรรมที่แอบขอโมยไปทําอะไรได้แล้วรู้ทันหมดเลยเนะี่ย รู้ทันพฤติกรรมทั้งหลายแหละจนกระทั่งมันหมดพฤติกรรมเพราะว่ามั น, น, นหนีไปไหนไม่ได้รู้ทันแต่ไม่ได้บังคับให้นิ่งนะรู้ทันเจงกระทั่งหมดพฤติกรรมมีแฉลบแป๊บรู้คแบบรับรู้นี้พอหมดแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยจิตผู้รู้ของเราสะอาดสบายปลอดโปรง่งนะรักษาจิตตัวนี้ไว้ถ้ามันไหลายเอาเจาตรงนี้ไปนะมีแต่ทุกข์ล้วนเลยนะวันหนึ่งก็ค่อยๆสังเกต ว่าอยู่กับผู้รู้เนี่ยนะผู้รู้เนี่ยยังเศร้าหมองได้จิตตัวจิตเองเนี่ยสร้าหมองได้ฟองใสได้บางทีก็เป็นสุขบางทีก็ทุกข์แทรกเข้ามานิดนิดบางทีมีความสุขแทรกเข้ามานิดนิดถ้าจิตพอเห็นทันตรงนี้นะโอ้จิตเป็นอนัตตาจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกบังคับไม่ได้เห็นไหมเขาจะเศร้าหมองเขาก็หมองเขาจะดีเขาก็ดีบังคับไม่ได้หรอกก็ปล่อยวาง นั่นบอกว่าพอปล่อยวางจิตนั้นะเป็นกลางเลยจิตเสี ย, ยงนี่ธรรมะมันดีดฐางขึ้นมาเลยทำแท้แท้มืนน่นี่โอ้สอนแบบหมดเปลือกแล้ว <c oughs> การปฏิบัติในขั้นต้นก็เหมือนกันติดนะหน้าที่ของเราแค่นิ่เองกุศลเกิดรู้เอกุศลเกิดรู้เนะียทีแรกก็กุศลเกิดก็ดีใจนะเอากุศลเกิดเสียใจในที่สุดเห็น